มีอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนโดยไม่อ้างการอ้า ง, งยีหลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้นการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตาการนั้นต้องดำเนินตามหลักษาสนธรรมฝ่ายเหตุที่ทน ที่แนะแนวทางเอาไว้ซึ่งเป็นอุบายวิธีหรือทางดำเดนินสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกันกบธรรมที่มีอยู่าศาสนะธรรมที่แสดงนี้เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมอย่างแท้จริงที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็น ด้วยสันทิปโกอันเนื่องมาจากการปฏิบัติดำเนินตามแนวแห่งสวัสดิธรรมที่กลัดไว้ชอบแล้วมนทางเหตุผลก็แสดงไว้ชอบแล้วเช่นเดียวกันจะพึงได้รับประจักษ์โดยไม่สงสัยใจเราทรงเคยทรงไว้แต่ สิงศักดิ์สโสมมทั้งหลายจนไม่อาจคำนวณได้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันเียว่าไม่มีเงือนต้นเงื่อนปลายนานถึงขนาดนั้นอีกดวงนี้ทรงไว้ซึ่งอย่างน้อยเชื้อแห่งวัตตะ มากกว่านั้นก็เต็มไปหมดในคำที่ว่ากิเลสสิ่งที่ทำให้ใจิตใจอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ต้องกดต้องแปรงสายโน้นสาย น, น, ายนี้ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ด้วยความอยากไม่มีเวลา พักตัวได้เลยนอกจากเวลาหลับสมาริเท่านั้นหิตของสัตว์โลกบรรตุสิ่งที่กล่าวไว้นี้เต็มด้วยกันไม่มีใครจะบกกร่องกว่ากันเลยเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ผิดขึ้นมายึงไม่เลือกชาติ จะเป็นชาติมนุษย์ชาติสัตว์ชาติใดก็ตามชั้นวั น, น่ะจำต้องยอมรับสิ่งที่ธรรมชาตินี้ผิดขึ้นจากใจของตอนนั่นแหละมากน้อยจะสุขวิตุมากน้อยเพียงไรก็จำต้องยอมรับเพราะไม่มีอะไร จะมาผัดเปลี่ยนให้มีรถมีชาติหรือมีการกระทำต่างจากนี้นี่เราทั้งหลายทั้งหลายบวชมาในพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มเกิดมาพบกับพุทธศาสนาก็จักว่าเป็นราบอันหนึ่งแล้วเพราะชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับาศาสนธรรมทั้งหลาย นอกจากนั้นยังยังได้มาบวชในพระพุทธาศาสนาท่านผู้ต้องการทรงมรรคทรงผลเปลี่ยนจากสภาพแห่งการทรงกิเลสแบกหามกิเลสทั้งหลายด้วยใจของตนเองก็พึงดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ ด้วยความถูกต้องแน่นยัางในขณะเดียวกันพึงระวังเสมอว่าสิ่งที่เป็นค่าสิทธิของธรรมและเป็นค่าสิทธิของใจเรานั้นมีความคลั่งตัวมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจเคยมีอำนาจครอบครองใจมาเป็นเวลานานแล้วจะขัดจะขวาง และกีดกันให้กำลังวางชาทุกด้านที่จะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำนั้นด้อยลงไปหรือล้มเหลวไปได้นี่เป็นสิ่งที่ควรระวังเสมอพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้ได้รับรสชาติแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติดัง ครงพุทธการท่านที่ทรงอัดทรงทำนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายนี่เป็นผู้ทรงธรรมอย่างเด่นชัดคือทรงมรรคผลนิพพานเต็มพระไทยและเต็มใจท่านที่ทรงมรรคผลนิพพานอย่างเต็มพระไทยและเต็มใจนั้น ท่านทรงด้วยวิธีการอันใดองค์ศาสดาของเราทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอุบายที่ทรงรู้ทรงเห็นที่ทรงเคยดำเนินมาจนได้ผลเป็นที่พอพระทยนำสั่งสอนสัตว์โลกนำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างกระจ่างแจ้ง หัดเจนไม่มีข้อใดลี้ลับและไม่มีที่น่าสงสัยจึงเรียกว่าสวขาโตพระกวตาธรร ม, มูตราดว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมอันเป็นความชอบไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่ น, อน้อยผู้ปฏิบัติในนักบวชเป็นํำขัดซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี่เท่านั้น กิจการงานอื่นใดโลกที่เขามีศรัทธาใจบุญบุญแล้วเขาช่วยสนับสนุนเยะจนได้ห้ามเอาไว้เพราะมันจะทำให้ลืมตัวและการปฏิบัตินืช้าด้วยปัจจัยทั้งสิคือจีวรบินทบาต อาหารการบริโภคเครื่องหนึ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัยนี่ไม่อดไม่อัน้นเป็นมาจากาาาศรัทธาญาติโยงสนับสนุนเขาพอใจอยู่แล้วแม้เขาทําไม่ได้อย่างนักบวชเขาก็สินได้ที่อยู่ในวิสัยของเขาเขาพร้อมเสมอชาวพุทธเราพร้อมอยู่แล้วเราผู้เป็นพระซึ่ง ออกแนวรบเพื่อจบธรรมจรรย์ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานยังไม่มีอะไรบกพร่องในบรรดาเครื่องสนับสนุนที่ขาดอยู่เวลานี้เพราะอย่างยิ่งก็คือศรัทธาแม้เชื่อมรรคผลนิพพานว่าเป็นของมี ตามหลักธรรมที่สูงสั่งสอนไว้แล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อตัวเองได้วิริยะท่านสอนไว้แล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่การกระทาของเราให้เป็นไปตามนั้นอันด้อยสติยิ่งแล้วตั้งได้สักครู่หนึ่งก็ เผอไปซะเป็นชั่วโมงตั้งเลกผู้เดียวเผอไปเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่สิ่งที่ย่อหย่อนอ่อนกำลังสมาธิแม้จะยังไม่ได้องค์สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งใจแต่ควรจะได้สมาธิคือการกดะทำเลิก ความขามักมึนด้วยความขายันหมั่นเพียรด้วยความออกกินออกจังเรียกว่าเป็นหลักมั่นคงต่อการกระทาก็ไดย้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วไม่มีวี่แล่วบ้างเลยอันปัญญาที่ใช้ในโลกในตรงสารนี้เข้ากับปัญญาที่จะแก้กิเลสไม่ได้จึงเรียกว่าไม่มีปัญญาก็ได้นตามหลักธรรม ปัญญาทางโลกทางสานมีได้ด้วยกันทางนั้นมนุษย์เรายิ่งเรียนมากก็ยิ่งมีความฉลาดมากไปตามโลกจัตยาวิสัยแต่ปัญญาที่เป็นด้านธรรมะซึ่งจะถอดถอนตัวขฆาึกอันเป็นเรื่องเหมาะสมต่อกันอย่างยิ่งไม่เกิดไม่มีภ า, ายในจิตใจของเรานี่แหละที่วพวกเราได้ยด้ยที่ตรงนี้คือสรุปความลงมาก็ ได้แก่ภาระห้านี้ได้เพราะทมทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นนับแต่ทำขั้นพื้นพืนจนกระทั่งถึงทำอันสูงสุดหลุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากภารธรรมทั้งห้านี้เลยได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาเราต้องการเป็นผู้ทรงมากทรงผล ดังาศาสดาองเอกและสาวกอรหันทั้งหลายท่านทรงจงเป็นผู้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติตามแนวทางแห่งธรรมแห่งวิงงงนัยที่ประทานไว้แล้วอย่างใดอย่าเสียดายสิ่งใดมากยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยมากยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มแข็งตามหลักธรรมหลักวินัยฮีเยตจิตใจของเราทั้งมวล ให้ทุ่มลงไปเพื่อมรักผลไม่ผ่านเพื่อความอดทนอย่ามีความคินชากับสิ่งใดบรรดาที่เคยสัมผัสสัมผั์มาแล้วผลที่ได้รับก็ดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นไม่มีอะไรเปลดต่างจากใครเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันในสามัญชนทั่วๆไปความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นๆจะมีในลักษณะเดียวกั น, นเราก็เคยผ่านมามากแล้วจึงควรละสิ่งเหล่านั้นไม่เสียดายไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นอะไรแล้วเปลี่ยนความรู้สึกหมุนตัวเข้าสู่อัดสุธรรมเข้าสู่ข้อปฏิบัติมีเท่าไรความรู้สึก น้กคิดให้น้อมเข้าเพื่อ ก, การบำเพ็ญหรือเพื่อความเพียรอันเป็นการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าสึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นให้ออกได้ด้วยความเพียรโดยวิธีต่างๆผู้นี้แหละแอนผู้จะสมมากสมผลตั้งแต่ต้นจนสุดยอดแห่งธรรมที่ท่านกล่าวไว้ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้กับกิเลสกล่าวไว้นั้นเป็นอย่างไรใจของเราเป็นใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเชื่อได้ง่ายในอุบายวิธีการเสี่ยมสอนของกิเลสและไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจงมูกทางลิ้นทางกายครุ่นคิดให้เป็นธรรมารมทางใจ เป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่อ้อยอิ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีความจืดจางได้เลยติดพันกันได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีคำว่าอิ่มพอแล้วนี่คือความติดเพราะอํานาจความกระซิบกระสาเราจะเรียกว่าคำพูดของกิเลสเียมสอนเราก็ได้เมื่อเทียบกับคำพูดของพระพุทธเจ้า ว่าพูดสอนโลกสั่งสอนโลกกิเลสสั่งสอนโลกธรรมของพระเจ้าสั่งสอนโลกมีน้ำหนักต่างกันอย่างไรในความรู้สึกของเราในขณะที่จิตยังมีความหนาแน่นไปด้วยเรื่องของกิเลสภายในจิตใจอยู่แล้วอะไรกระดิกออกมาจะต้องเชื่อและจ ะ, จะต้องเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดและเชื่อดักไปเลยโดยไม่มีความสำนึก เลยว่านี้เป็นความผิดหรือความถูกเพราะเคยชินอย่างนั้นมานานแสนนานเนื่องจากไม่มีสินใดที่เข้าแทกเข้าซ้อนเข้าเป็นคู่แข่งเข้าเป็นคู่เทียบเคียงแม้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามตำหลับตำลาก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียคำว่าเรื่องธรรมดานี้ก็เป็นเรื่องของจิเไม่ใช่เรื่องธรรมดาของธรรม เร่งทำให้เชื่อยากระหว่างคำพูดของพระพุทธเจ้ากับคำพูดของกิเลสระหว่างการอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการเสี่ยมสอนของกิเลสใจจึงมักไหลลงสู่ทางทิเลสเสมอหรือหรือไหลลงสู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นกิตย่อมเป็นเช่นนี้ด้วยกันตัวเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติจึงล้มลุกคลุกคลาน แต่เมื่อได้ทำความอุตสาห์พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอและได้ยินได้ฟังอับทมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านสอนโดยความถูกต้องแน่นย่อมจะทาย่อมจะซึมซาบเข้าภายในจิตใจวันเล็กละน้อยตัวเองก็ดำเนินปฏิบตัติการฟังทมก็เข้าสู่ใจอยู่โดยสม่าเสมอใจย่อมซึมซาบ กับทำเข้าไปโดยลาดับจนกระทั่งคำว่าผลคือสมาธิในเบื้องต้นได้แจความยอกเย็นความสงบใจปรากฏขึ้นที่ตัวของเรานี่เป็นภาคผืนพอผลได้ปรากฏขึ้นย่อมจับเป็นคู่เทียบเทียงกันได้ กับผลที่จะเลดผิดขึ้นมารับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรบ้างระหว่างความสงบกับความฟุ้งซ่านที่เคยเป็นมานนานแม้ความสงบจะเกิดขึ้นในเพียงขณะเดียวเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่สะดุดใจอยู่มากด้วยเหตุที่ว่าธรรมนั้นแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็มีลิธาศักดานุภาพมากพอที่จะให้ลืมไม่ได้จะปรากฏเพียงขณะ หรือเวลาเดียวก็ต่างยังสามารถจะยึดจิตใจหรือดึงดึงดูดจิตใจให้เกิดความมรึกเสียดายอยู่เป็นเวลานานและยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความอุตส่าหพยายามเพราะอาศัยผลที่ปรากฏขึ้นแล้วเป็นเชื้อหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูด ก, ก็ยิ่งจะเพิ่มกำลังขึ้น โดยลำดับตดาๆคำว่าสมาธิในที่ว่าเป็นภาคพื้นก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดแนบแน่นเข้าไปความสงบละเอียดเพียงไหลความสุขความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์แห่งธรรมซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจนี่ทำได้เริ่มเข้าสู่จิตใจ บ้างแล้วแม้เป็นขั้นสมาธิข้อยังดีศรัท ธ, ธาวิยะสติจะค่อยตามกันมาเรื่อยๆคือศรัท ธ, ธาเชื่อในความเป็นของตนไม่ได้เชื่อเพียงอยู่ในตำรับตำลาเท่านั้นอันนั้นเชื่อด้วยความคาดคะเนส่วนเชื่อด้วยความรู้ความเห็นของตนนี้เชื่อประจักษ์เชื่อประจักษ์ใจ เมื่อความเชื่อประจักษ์ใจปรากฏขึ้นความเพี้ยนก็ยิ่งเข้มแข็งชาติก็ตั้งได้เป็นลำดับลำดาเนี้ยจะยังไม่ถึงขั้นปัญดาก็าตายพอจิตมีความสงบซึ่งควรจะพิจารณาแยกแยะตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่า สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุแนแล้วย่อมดำเนินตนได้ด้วยความคล่องตัวสะดวก แ, แกล้แกล้วว่องไวเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายมีกายคตาเป็นสำคัญ คือกายของเรากายภายในกายภายนอกกายเขากายเรากายสัตว์กายบุคคลพิจารณาแยกแยะออกได้หลายแขนงออกได้หลายอุบายตามแต่ปัญญาที่จะพิจารณาให้แยกคายไปในทางใดส่วนมากมักจะแยกแยกออกไปในทางด้านอสุภะ คือความไม่สวยไม่งามมีเพียงหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปย่อมเห็นความจริงตามที่มีอยู่ภายในร่างกายทุกส่วนได้โดยลำดับและได้อย่างชท้จริงนี่เรียกว่าปัญญาเนคำว่าศรัท ธ, ธาวิยสติสมาธิปัญญาก็ไปตามๆกัน ในภาระห้าภาระห้ในขั้นต่อไปก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์โดยเป็นหลักธรรมชาติของใจหากมีความถนักหากมีความสาะความแสวงที่จะพิจารณาเป็นวักเป็นตอน ในเรื่องของไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามอันเป็นเรื่องของปัญญาด้วยกันเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงไปที่ตรงไหนความจาปลอมที่กิเลสมันปักเสียบเอาไว้เช่นว่าเป็นของสวยของงามเป็นต้นปัญญาจะพังทลายเข้าไปหมดเพราะนี่เป็นของปลอมล้วนๆแม้เราคิดดูด้วยสาม มันสำเนึกเราเราก็ค้านคำว่าอาุพะนี้ไม่ได้เพราะไม่สวยไม่งามอันใดเลยนางสวยที่ตรงไหนเนื้อสวยที่ตรงไหนเอนกระดูกสวยที่ตรงไหนม า, มาหมักหัวใจตับปอดทั้งปุ่นไซใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสวยงามที่ตรงไหน นี่เพียงเราในสานึกสามันสำนึกเราเราก็ค้านไม่ได้เป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมนีอมนาจเหนือกว่าถึงไม่สวยไม่งามเท่าไรกิเลสมันก็บอกว่าสวยว่างามก็จำต้องถูกมันถุดลากไปจนได้นี่หละเราติดเพราะความถุดลากของกิเลสแม้พร้อมเรากิเลสพาว่าจริงเราก็ว่าทีนี้ปัญญาสอดแทรกเข้าไป สอดแท่เข้าไปจนกลายเป็นเรื่องปัญญาพังทลายสิ่งจำตอมทั้งหลายรั้วแต่ความหิงรุ่นล้วนใ น, นขั้นนี้คืออสุภะอสุพังเต็มหมดทั้งตัวไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลมีสภาพเช่นเดียวกันนี้หมดจากนั้นแยกแยะออกไปเป็นอันิจ้จังความแปรสภาพทุกขังบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าส่วนร่างกายและจิตใจสงสัยที่ตรงไหนคําว่าทุกก็เห็นอยู่ชัดชด คำว่าแปรสภาพก็จหมีกันชัดๆอนัตตาผมนั่นเหนือเป็นเราขนและผันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นเหนือเป็นเราแล้วรวมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินดินนั่นเหนือเป็นเราน้ำนั่นเหนือเป็นเราเล่านั่นเหลือเป็นน้ําเป็นดินลมนั่นนั่นเหนือเป็นเราไฟนั่นเหนือเป็นเราหรือเรานั่นเหนือเป็นไฟเป็นหลม ไฟก็รู้ชัดๆว่า ไ, ไฟอยู่แล้วลมก็รู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไรดินน้ําก็รู้ว่าดินว่าน้ําอยู่แล้วอย่างตามท้องน้ำนี่มองไปดิมาเป็นเราได้อย่างไงก็น้ําดินก็เยียบย่างไปมาอยู่นี่ก็เป็นดินเห็นชัดๆอยู่แล้วเป็นเราได้อย่างไงเป็นของเราได้ไหและดินน้ํำลงไปในร่างกายของเหล่านี้ก็เป็นดินน้ํำลงไฟเช่นเดียวกับ ภายนอกนั้นมันแตกต่างกันตรงไหนจึงจะมาหัดมาแย้งความจริงถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ปัญญาแทรกลงไปจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจแล้วจะไม่ปล่อยได้อย่างไรก็ดินน้ำลงไปคำว่าเราว่าของเรานั้นเรื่องของเดเรตมันบังคับเฉย แต่อำนาจแห่งความจริงแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งพังทลายความจำควอมนี้ออกได้แล้วทั้นก็ปล่อยวางได้นี่นี่แหละเรียกว่าปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้ามาสู่ขั้นเหล่านี้แล้วเรื่องที่ว่าจิตเป็นภาชนะของกิเลสโดยสิ้นเชิงก็กลายเข้ามาเป็นภาชนะของธรรมแทรกเข้าไปแล้ว ไม่มีแต่กิเลสประเภทที่ผิดความทุกข์บีบคั้นหัวใจเราโดยไถ่เดียวยังมีประเภทแห่งธรรมบีบคั้นกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปอีกเช่นเดียวกันและกลายเป็นจิตที่ ท, ทรงอักทรงธรรมขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วนี่เมื่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยตามหลักธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วนี้คืออยู่ในวงไตรลักษณ์ หรืออสุภะอสุผังซึ่งเป็นความถูกต้ององามอันเป็นอุบายวิธีการทำลายความจำความของที่เลกที่มันปักเสียยเอาไว้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลาดับลำดาดีดย่อมถอยตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญนั่นว่าเป็นเราเป็นของเราสิิงใดเป็นความจริงอย่างไรก็ทราบทัดและรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้น เช่นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ไม่คัดไม่ค้านไม่ขั ด, ไ ม, ขดไม่แยง้งเพราะเป็นความจริงล้วนๆแล้วด้วยปัญญาจิตก็ไม่ไปแตะไปต้องไม่ไปยึดไปถือไม่ไปแบบไปหามด้วยอํานาจของอุปทานเหมือนแต่ก่อนถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้อืจิตก็เป็นจิตที่ทรงอจจงัดทรงธทมหรือว่าทรงมากทรงผลขึ้นมาเป็นขั้นๆเป็นตอนตอ น, นิ่เลย ก, ก็เสื่อมลงไป ที่เคยฝังจมอยู่ภารกิจก็ถูกกําจัดออกไปด้วยสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสําคัญนี่จิตที่ทรงมากทรงผลคือทรงอัดทรงทำทรงด้วยวิธีการอย่างนี้การทรงกิเลกก็มีวิธีการอันหนึ่งที่กิเลสพาให้ทรง พาให้แบกให้หามเป็นอุบายของกิเลสประเภทแต่ละประเภทประเภทเสี่ยมสอนให้เราหลงเคลื่อไปตามเพราะฉะนั้นการเชื่อกิเลสจึงเชื่อได้ง่ายยิ่งกว่าทำในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อมาถึงขั้นปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ความเชื่อทำเชื่อได้ง่ายความเชื่อกิเลสเชื่อได้ยากแล้วเห็นกิเลสเป็นภัยด้วย มีการาาระมัดระวังและต่อสู้ขับไล่กิเลสอยู่เป็นประจำในหลักแห่งความเพียรของผู้เห็นภัยนี้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมาสนิทติดจมกับเราได้อย่างไรเมื่อเราไม่ได้มีความสนิทติดจมกับกิเลสกิเลสย่อมจะจางออกไปธรรมที่เป็นที่สนิทติดจมฝากเป็นาสากทายของเราก็าปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วเมื่อธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจ ไม่ได้สร้างความทุกข์ความลำบากให้เราเลยมแตรสร้างความสุขความเย็นใจความแยบคายขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับลบำดากตรงกันข้ามกับมิเลสเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นสวนทางกันมิเลศมีมากมีน้อยสร้างแต่ความทุกข์บีบคั้นจิตใจเราธรรมมีมากมีน้อยมตรสร้างแต่ความสุข ความเย็นใจความแยบขายให้ใจิตใจนี่แหละเป็นคู่แข่งกันเห็นได้อย่างชัดชาาัดภายในจิตดวงเดียวระหว่างกิเลสเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของกิเลสผิดขึ้นมาเป็นอย่างไรธรรมเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของธรรมเป็นอย่างไรในจิต ด, ดวงเดียวเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมและกิเลสย่อมทราบได้อย่างชาัดเจนจึงสนุกคัดเลือก เรื่องของกิเลส ก, กับเรื่องของธรรมได้ด้วยปัญญาของตนโดยไม่มีความนอนใจนี่ท่านผู้ทรงมากทรงผลท่านทรงไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้จนสุดท้ายปัญญาแทรกเข้าไปหมดไม่ว่าจะรูปกายทุกสัตว์ทุกส่วนรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาได้ลปล่อยวางไว้ตามสภาพแห่งความจริงของมัน ว่าจะเป็นส่วนทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือว่าเป็นอรุภาอรสุพังเห็นตามความเป็นจริงทั้งสิ้นและปล่อยวางไม่ยึดถือโดยประการทั้งปวงนี่เป็นส่วนอยากคือรูปประธรรมส่วนนามมาทาทั้งกล่าวว่าขันธ์สีเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีได้ทั้งทา ง, ทงร่างกายและจิตใจสัญญาคือความจา จำได้หมายรู้ <c oughs> สังขารคือความคิดความปรุงภ า, ายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเกิดขึ้นและดับไปดับไปและเป็นไปตามความรินของหมันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกเกิดขึ้นดับไปด้วยกันท่านั้น ท่านจรงว่าเวทนาอนิจจารหรือเวทนาอนัตตานะั่ยึดได้ยังไงอนิจจัรอนิจจังไว้ใจได้ยังไงมันแปรเห็นอยู่นี่ยจะโดยเข้าไปคว้ากงจับได้ยังไงมันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยความแปรสภาพตลอดกาลอนัตตาก็บอกทัดเย็นแล้วว่าอย่า อย่ายุ่งอย่ายืดกงจากทั้งมวลเขาเดินอยู่ตามสภาพของเขาโดยธรรมชาติของเขาเองเราอย่าหลงอย่าเขาไปส้ำคัญให้เป็นแง่ต่างๆไปจากธรรมชาติเดิมของเขาคืออนัตตาโดยแท้ปัญญาจึงอย่างทราบในสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยขันตั้งห้า ซึ่งใจเป็นผู้รับผิดชอบใจเป็นผู้ยึดถือใจเป็นผู้สําคัญมั่นหมายและแบกหามว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันปัญญาแยกพลายขึ้นมาโดยลําดับและปัญญาแทงทะลุไปหมดก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าต่างกันอย่างไรบ้างทีนี่ขันก็ขันอันนี้แหละใจก็ใจตรงนี้แหละแต่ความรู้ของใจที่รอบครอบ ต่อขันนี้มีต่างกันอยู่มากกับความรู้ของใจแต่ก่อนซึ่งไม่เคยได้พิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเลยนี่ท่านเรียกว่ากินก้านสาขาของกิเลส ข, ของกองทุกข์ที่ใจเป็นผู้แบกหามแต่ผู้เดียวแล้วรวมลงไปก็คือกิจตอวิชชาเมื่อ รูปเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณซึ่งเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่ทำงานสแสวงหาผลรายได้สำหรับวิรลได้ถูกปัญญาทำลายสะบั้นหันแหลกไปหมดแล้วตัวอวิชชาไม่มีที่หลบที่ซ่อนจึงหดตัวเข้าไปสู่จิตปัญญาซึ่งเคยรู้จริงเห็นแจ้ง ยังเข้าไปสู่จิตที่มีพิษภัยฝังจมอยู่ภาในนั้นทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นคำว่าอาวิชชาก็คือยอดแห่งสมมติหรือยอดของกิเลสมหาสติมหาปัญญาก็คือยอดแห่งปฏิปทาฝ่ายมากแทงทะลุกันจนได้ จนอวิชชากระจายไปหมดเป็นถ้าเรียกว่าผุ้ยผงก็เลยผุ้ยผงไปแล้วไม่มีสิ่งได้เหลืออยู่ภายในจิตใจเลยใจดวงนั้นแหละที่อวิชชาไปปราบแล้วนั้นเป็นใจที่ทรงมากส่งผลเต็มสัดเต็มส่วนเต็มร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสันทิฏฐิโกผู้รู้ผู้เห็นนั้น เห็นประจักษ์ตนด้วยการปฏิบัติของตนทำที่กล่าวมาแล้วนี้เหล่านี้คืล่าสมัยไปแล้วหรือถ้าไม่ใช่กิเลสมันกล่อมว่าทำนั้นคืนันล่าสมัยกิเลสมันทันสมัยมันผิดทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันตื่นไม่มีวันเห็นโทษเพราะกิเลสมันทันสมัยทำมันก็แม่ทำมันก็ขีดกัน ปิดบังไันหมดเสียงไม่ให้จักรโลกทั้งหลายได้เห็นตามหลักความจริงแล้วกิเลสมันหยาบที่สุดทำประเสริฐสุด่สวนทางกันร้อยเปอร์เซ็นตธรรมชาติหนึ่งเลวร้อยเปอร์เซ็นตธรรมชาติหนึ่งพระเสร100้อยเปอร์เซนก็ยังถูกกิเลสมันปิดกั้นไว้หมดไม่ให้เชื่อไม่ให้รู้ไม่ให้เห็น ไ ม, ไม่ให้สาะไม่ให้แสวงให้สาะให้แสวงให้เชื่อให้ทำตามคน อ, อุบายของมันถ่ายเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นผู้ครองจิตใจของสัตว์โลกจนหาทางออกไม่ได้ตายแล้วเกิดเล่าก็เช่นเดียวกับจูงคนตาบอดไปสถานที่นั่นที่นี่นั่นแหละจูงไปไหนก็ไปเถอะของเก่าของใหม่เคยไป มาแล้วกี่ครั้งกีห่หนคนตาบอดนั้นจะทราบไม่ได้เลยเพราะตาไม่เห็นจูงเหยียบย่ำไปมาในสถานที่เก่าๆนั้นกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าสถานที่เดล่าวนี้ได้เคยมาแล้วได้เคยเห็นแล้วเห็นยังไงก็ตาบอดจะเห็นได้ยังไง้วรู้ได้ไงก็ใจมันบอดด้วยเพราะตาปิดเสียบมันก็ไม่มองเห็นนี่แหละการเกิดเจ็เจ็บตายของสัตว์โลก เกิดแก่เจ็บตายเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่พบกี่ชาติก็ทำนองเดียว ก, กันกับคนตาบอดท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนั่นแหละเหมือนเป็นของใหม่ไปอยู่เรื่อยๆใจที่ถูกอวิชชาปิดบงังหุ่มห่อไว้ให้ไปด้วยความมืดบอดจึงไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าพบนี้พบเก่าพบนั่นพบใหม่เล้าเกิดเคยเกิดมาแล้วในพบนั้นชาตินี้เป็นสัดตินบุคคลหรือไป เกิดในพบอะไรก็ตามถึงหาทางทราบไม่ได้เพราะไปได้วยความมืดบอดมีอวิชชาเป็นผู้ปิดบังไว้นี่นะจึงมันจึงกล่อมเข้าไปอีกว่าตายแล้วศูนย์มีแต่กลนมายาของอวิชาทั้งนั้นบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีล้วนแล้วแต่กลอบายของอวิชาซึ่งเป็นค่าสืบต่อธรรม ลบล้างท ร, ร ม, มาเป็นประจำผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบเรื่องของอวิชชาไม่ทราบเรื่องของกิเลสจะทราบเรื่องอะไรทมเป็นสิ่งที่จะทราบสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะสอนทำแต่โลกพระองค์ได้ทราบความจริงด้วยการปฏิบัติทราบหมดเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอัเป็นสาเหตุให้พาเกิดแก่เกิตาย ในวัฏจักรสมสารมามากน้อยเป็นไรถ้ายานอย่างทราบแทงทะลุไปหมดขี้เหล็ดสลายตัวไปจากพระไทยเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ ล, ล้วนมองทะลุปลุป่มไปหมดเช่นเดียวกับอวากาศของกิจเบื้องว่างไม่มีอะไรมาปิดบังหุ่มห่อได้ยิ่งทําให้รู้ได้ชัดว่าที่ถูกกิจการที่ถูกปิดบังหุงห้มห่อไม่สะดวกสบายในการคิดการรู้การเห็นก็เพราะกิเล็เท่านั้นเป็นผู้ปิดบงัง กีดขวางเาไว้เมื่อกิเลสบันลายลงไปเสียเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเวิ้งว้างยิ่งกว่ากีตที่เป็นอิสระเสรีเต็มที่ไม่มีอะไรมาบังคับกีดขวางได้อีกน่ะนี่และเหตุที่พระพุทธเจ้าจะทรงทราบได้ชัดถึงเรื่องบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีและทราบปณมายาของกิเลสที่เคยหลอกลวงโลกมานานในอุบายเหล่านี้ อย่างกระจักผ้าไทยเพงได้รื้อฟื้นความจริงนี้ขึ้นมาและขณะเดียวกันกับเหมือนกับว่าประจานหน้าของกิเลสตัวต้มสุนดอกหลวงสัตวโลกนี้ให้โลกทั้งหลายได้เห็นโดยแสดงว่าบาปมีนะบุญมีนะนรกมีสวรรค์มีนิพพานให้ละบาปหนาะให้บำเพ็ญบุญหนาะ นายบำเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกถึงพณนิพพานนะประกาศให้โลกด้รู้ได้เห็นด้วยจักรพระจักรสุยานเห็นอย่างแท้จริงไม่ได้ต้นดาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่อะใจที่สงมรรคทงผลแล้วแสดงเรื่องมรรคเรื่องผลทำไมจะแสดงไม่ได้ใจที่เคยจมอยู่กับกิเลส แล้วถอนตัวออกจากกิเลสแล้วทําไมจะแสดงเรื่องของกิเลสไม่ได้ต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิใจที่ทรงอัดทรงทำเต็มแม็ดเต็มหน่วยแล้วทําไมจะไม่แสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอัดเรื่องทำได้เต็มหัวใจเราก็รู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองทั้งกิเลสบาปธรรมต่างๆทั้งมรรคผลนิพพานประจักษ์ใจอยู่แล้วด้วยกันครั้งนี้เป็นทั้งครั้งกิเลสด้วย จะแสดงเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆไม่ได้อย่างไรและอิทนี้ได้กลายมาเป็นครั้งแห่งธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่แสดงเรื่องอักเรื่องธรรมให้ได้เต็มเม็ดเต็มมวลเต็มหน่วยได้อย่างไรต้องแสดงหน้าอย่างเต็มภูมิไม่สงสัยเนี่ยจริงว่าธรรมสดสดร้อนๆธรรมธรรมมีอยู่ก็ให้พึงทราบว่าไม่มีสิ่งใดในอวัยวะของเหล่านี้จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรม ตังแต่พื้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมิติทําได้ตาก็สามารถเห็นตั้งแต่รูปหรือสีแสงต่างๆเท่านั้นนี่วิสัยของตามีเพียงเท่านั้นหูก็เป็นวิสัยไปทางเสียงจมูกก็ไปทางกลิ่นลิ้นไปทางรสกายไปทางความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เพียงเท่านั้นไม่ได้ลึกไม่ได้ละเอียดแหลมคมไม่ได้ทราบซึ้งไม่ได้กว้างขวางอะไรเหมือนใจเลยแต่ใจนี่สามารถ เพราะฉะนั้นใจจริงเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งและสามารถสัมผัสสัมพันธ์ทมได้ตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นเช่นสมาธิธรรมทุกขั้นของสมาธิปัญญาธรรมทุกขั้นของปัญญานี่ยิตจะเป็นผู้สัมผัสเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดสุดท่านเรียกใน ส, สมัยพุทธกาลว่ามหาสติมหาปัญญา ใจก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเสียเองจน ถ, ถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นอา้าวความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันสใจเองตาหูจมูกเลิ้ยงกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นใจเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้เป็นภาชนะเป็นที่ที่สถิอยู่แห่งธรรมทั้งหลายตั้งแต่เพื่อนเพื่ น, น, นแห่งธรรมจนกระทั่งนิมุติธรรมจะนอกเหนือจากใจนี้ไปไม่ได้ใจก็ไม่มีคำว่าอดีตอนาคต ใจไม่มีคำว่าราสมัยรู้อยู่ตลอดมาและตลอดไปเมื่อใจได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วจะมีอดีตอนาคตที่ไหนและตามธรรมชาติของจิตแม้กิเลสฝังจนอยู่ภายในตัวเองให้เกิดจิตเจิดกายอยู่ก็ไม่ปรากฏว่าจิตนี้ได้ตายได้ดทิบ์หายไปเหมือนกับอวัยวะทั้งหลายเลยเป็นธรรมชาติที่ยืนโรงอยู่อย่างนั้นในภพชาติต่างๆกิเลสก็เยียบอยู่บนหัวใจนั่นแหละ ให้ไปเกิดที่นั่นทีน่นี่มันดูบนหัวใจให้ไปเกิดทีนนท่นั่นที่นี่แล้วกับกิเลสนั่นแลเป็นผู้ปฏิเสธว่าตายแล้วสูนยตาละสูนม mm ันเก่งไหมอุบายของกิเลสมันเหยียบย่ำทํำด so ูบนหัวใจแล้วมันก็ฉุดรากหัวใจหรือเหยียบย่ำหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่หักสายหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดในสถานที่กันต่ำๆนุ่มๆดอนๆหรือสูงๆต่างๆ แต่แล้วแต่แล้วมันก็บอกว่าตายแล้วศูน ะ, นะ์นะการที่เกิดในช่วงที่สูงสูงแล้ต่ําเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็เพราะอํานาจแห่งบาปแห่งบุญมันก็บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะั่นั้นที่เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็บอกว่าตายแล้วศูนยะเห็นไหมฟังเลยอุบาของกิเลสแหลมคมขนาดไหนมีพระพุทธเจ้าและพระหันเท่านั้นที่จะเปิดหน้ากากนั้นขึ้นมาได้อย่างเต็มโคตรแท้ของมัน นอกนั้นยากลำบากมากที่จะทราบของมันต้องยอมให้มันกล่องแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วไม่มีทางยอมเปิดหน้ากามขึ้นมาให้หมดความชั่วช้าหนามกของมันที่เคยหลอกลวงต้ม ต, ตุนสัตว์โลกบีบบี้สีไฟสัตว์โลกมาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ทําลายมันและเป็นผู้แสดงเรื่องของมันตลอดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิม ให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้รู้นันแหลความแหลมคมของกิเลสมันอยู่บนหัวใจแท้ๆภาไปเกิดที่นั่นที่นี่ไม่หยุดไม่ถอยมันยังกล้าปฏิเสธเด้ว่าได้ว่ า, วาตายแล้วสูญมันหลอกถนัดดีไหมเอาถ้าสมมติเราจะย้อนสอนกันย้อนรูกสอนกันถ้าหาว่าตายแล้วสูญจริงๆกิเลสมันอยู่กับอะไรกิเลสมันถึงไม่บรรลัยมันถึงไม่สูญ นั่นกล่าวว่าเมธีอยู่มิที่มธีอาศัยอย่างนี่มันถึงไม่สูงที้เลยมันอาศัยจิตมันบังคับจิตมันอยู่บนหัวใจมันบังคับหัวใจให้พาไปเกิดในที่ต่างๆแต่มันก็บอกว่าตายแล้วสูงถึงหมดเวลาสติปัญญาทําได้เบี่ยงกายเต็มที่แล้วฟาดพันหันแหลกตัวมันเองซึ่งอยู่บนหัวใจนั้นให้พังทลายลงไปแล้วจิตนิสูญหมายนี่นั่น ถ้าศูนย์เอาอะไรมาบริสุทธิ์นั่นก็มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้โกโหกโลกว่าตายแล้วศูนย์มันก็เห็นไลยชาติบริสุทธิ์แล้วยิ่งรู้ชาติมาใจนี่ศูนย์ที่ไหนนี่ท่านเถินิพพานังปรามังสุขผังพระนิพพานเป็นสูงอย่างยิ่งนั่นถ้าจิตมันศูนย์แล้วเอาอะไรมาเป็นสูงอย่างยิ่งล่ะนี่เห็นไม่อย่างชัดเจน นี่ผู้จะทรงมากทรงผลต้องเป็นผู้หนักแน่นต่ออัดต่อทำต่อการบําเพ็ญของตนยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคยกล่าวแล้วเบื้องตน้นถึงเราก็เคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเคยติดจมมาแล้วไม่เคยมีความอิ่มพอเอาทข้าไปเป็นยาเบื่อมันสิอืมให้ได้เห็นความอิ่มพอของจิตเรียกไหง วิเวกเคยฟุ้งซ่านํำคาญสร้างความทุกข์ควาบากให้เรามากน้อยเพียงไพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบเย็นขึ้นมาก็เป็นยาเบื่อความฟุ้งซ่านกลายเป็นใจที่สงบขึ้นมาความโง่เขลาบารญยาที่ฝังอยู่ภายในจิตใจจนไม่มีวันอิ่มพอก็ปัญญากระจายเข้าไปพัทงทลายลงไปเป็นยาเบื่อความโง่เขลาบรญญารญยานั้นกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาภายในใจ ายาที่เคยทรงกิเลสว่าเป็นตัวมรรคผลอันวิเศษตามความเสร็ดสันทมันถ้าเอาสติปัญญาที่ทันสมัยวาดปันทหาแหลมมันลงไปกลายเป็นยาเบือ่อกิเลสทั้งหลายให้พินาศทิพไายตายประจากษ์ใจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาเลยนั่นผู้ปรับกันมีนี่ยาเบือ่อกิเลสมีไม่มีแต่กิเลสเบือ่อเบือ่อทําเบื่อเราเด้ยวแต่เดียวทำเรายังมีทำพระพุทธเจ้าเอามาเบือ่อกิเลส มันพังทลาอยางไปทีนี้ไม่ต้องบอกว่าทรงมักหรือไม่สรงมักทรงขู่หรือไม่ส ร, ร, รงผลสันติติโกแปลว่าผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองพระองค์ไม่ได้ผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติทุกทุกนามไปทั้งสมัยใดๆก็ไม่สําคัญเป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นมัชฌิมาธรรมคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่ในท่ามกลางแห่งมักแห่งความชอบธรรมอยู่เสมอ น่นแหลมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมในตอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันเหมือนกันมันไม่เคยเรียวเคยแหลงกิเลสนะยิ่งสมยัยใดที่ศาสนาไม่มีกิเลสยิ่งรุ่งเรืองกิเลสยิ่เเเงเรืองอำนาจมีฤทธิ์มีมเดชบังคับจิตใจของสัารโลกให้เป็นฟืนเป็นไปไปหมดเพราะไม่มีน้ํานดับไปคือทำเมื่อทำได้เรืองอำนาจขึ้นมากิเลสก็พังทลายลงไปเช่นเดียวกัน พระจงพยายามสร้างสมธรรมอบรมธรรมด้วยความเข้มแข็งให้พังกิเลสลงไปจากใจตัวปิ้นป้อนหลอกลวงนี้มันสำคัญมากเอาให้ดีมันสวมรอยดัทุกระยะนะก้าวไปมันสวมรอยสวมรอยในวงความเพียรของเรานั่นแหละมันแหลมขนาดนั้นคมขนาดนั้นเละให้เราสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาที่เกียงไกาแล้วมันจะรู้ของคนมายาก กิเลสไปโดยลําดับธรรมดาจนกระทั่งรู้ตลอดทั่วถึงและพังทลายลงไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนันที่ น, นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะคำอาการสถานที่พบชาติต่างๆหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างปัญหาต่างๆทําทําอะไรสร้างปัญหากิเลสมีมากมีน้อยเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นมาของมีจริงมันก็บอกไม่มีนั่นมันสร้างปัญหาขึ้นมา กานเกิดจเจ็เจ็บตายก็พอเพราะอำนาจของมันพําให้เกิดจเจ็บเจ็บตายแล้วมันก็ปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์เนี่มันก็สร้างปัญหาขึ้นมาที่เลจรงเป็นตัวสร้างปัญหาล้วนๆทําเป็นผู้สังหารปัญหาภานาจิตใจจนกระทั่งทิ่เลหมดไปปัญหาก็าหมดภายนาจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เธอเอ อ, อยู่ไหนก็เหมือนในข่าวของพระพุทธเจ้ า, าอยู่ตลอดเวลาพุทธะแท้คืออะไรศัจดาองค์เอกแท้คืออะไรก็คือ ความบริสุทธิ์ของใจนี่หละความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างไรสงศิ์สายพระริจ้าทำไมสงศิ์สายพระสาวกทำไมเป็นความจริงอันเดียวกันนั่นแล้วมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันนั่นลงที่ตรงนี้แล้วนี่อละเีื้อวจิตที่ทรงมรรคทงผลด้วยการปฏิบัติขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาฝึากปฏิบัติอย่าคุ้นอย่าเคยชินกับสิ่งใดยิ่งกว่าอัดกว่าทำนี่เป็นทางดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ ขอให้จํเอาไว้ในสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มเต็มทั้งเต็มทัลน์กาลังความสามารถเลื่อยมาการสอนหมู่สอนเพื่อนผมสอนด้วยความจงใจจริงขอให้เห็นใจและการสอนนี้ไม่ใช่คุยหนาครูบาอาจารย์ทุกทุกองกไม่ใช่จะเราจะสนิทใจทุกทุกองกไปนะม่อก็ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาบุญญาพต้องผ่านึก ความฉลาดลึกตึ้นนะบางต่างกันนั่นเองนั่นแหละ้วสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกทุกอย่างให้เป็นที่สะดุดใจและเป็นที่เหมาะสมกับใจหาที่ค้านไม่ได้นี่ก็มีน้อยมากเพราะเหตุลายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความฉลาดคือความรู้ความเห็นความเป็นของใจของของผู้แสดงอีกเช่นเดียวกัน รู้ขั้นไหนก็แสดงได้ขั้นนั้นเต็มภูมิเช่นรู้สมาธิก็แสดงสมาธิได้อย่างเต็มภูมิแต่แสดงเรื่องปัญญาในทางภาพปฏิบัติไม่ได้นี่รู้ปัญญาเต็มภูมิทําไมจะไม่สอนเรื่องปัญญาเต็มภูมิและพูดสอนเรื่องมรรคผลนิพพานได้เต็มภูมิเล่านี่ที่สําคัญผมพยายามสอนเราให้ได้เมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์ไประเดีวสอนเราให้จริงให้จังเอาให้มันกิเลสพัทงทลายลงประจักษ์ว่าใจดูดีว่าไปยังไงพระพุทธเจ้า ศาสตราองค์นี้โกหกโครกหรือว่าเป็นศาสตราองค์เออแท้มันจะมันจะแท้ภายในจิตใจของเราก่อนเมื่อแฉภายในจิตใจของเราแล้วยอมศาสตราลาบเลยอยู่ไหนก็เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอบเวลานี่แหละคือว่าผู้ใดเห็นทำปุ้นเห็นนาฏศาโคดเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ซึ่งเป็นเหมือนกันเราจะพากันต่างอกต่างใจอยา่าคุ้นอยากเคยกับอะไร เดินเบญทบาทก็ให้มีสติให้มีความเพียรไปตลอดสายเคยพิจารณาอะไรให้ถือนั่นเป็นจิตงานเป็นจิตเป็นการเป็นงานของตนสคัญที่เดียวเบญทบาทเป็นวดัดคําว่าวัดก็คือเครื่องแก้ที่เหลีือถอดถอนที่เหลยอนั่นแหละไปแบบโรเลโลกเล่คิดโรเลโลกเลกมันเป็นเรื่องถอนที่เหลือนั่นยังไงคิดอย่างนี้ก็คิดมีกี่องค์กี่ลายไปด้วยกันต่างคนต่างดูหัวใจตัวเอง นั่นแหละตัวภัยอยู่ตรงนั้นตัวก่อเหตุอยู่ตรงนั้นให้ดูตรงนั้นแก้กันตรงนั้นพิเรศมันอยู่ที่หัวใจทำจึงต้องแก้กันตรงที่หัวใจแก่ที่อื่นไม่ถูกยู่ไหนให้เป็นตัวลําพังคนเดียวให้รู้อยู่กับตัวเสมอมีการยิ่งมูอเพื่อนมามากจํานวนมากมันตุนจัางจุนจ่นงนะฮผู้อสอนออกจะแตกขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ยาให้มีเรื่องเจตนาให้เห็นเห็นไม่ได้เป็นอันขาดการแสดงธรรมป็นสุวนตัเหนื่อยแล้วผู้สูงวัยเหนื่อยยังไงท่านแระคือธรรมะมันจะพูดว่าพูดความอยากของผม ห, หมู่เพื่อนก็จะไม่ก็จะไม่เรื่องอะไระผมจะพูดตามความจริง ในหรักธรมชาติที่เป็นหอยูขอ่ของอ ะ, รอะรเรื่องโลกมันมีสมมติสมมุติอันนั้นนั่งก็จะไปกระเทือนติดใจไม่มีส่เสียได้เนห็นึ่งว่าอวดเนี่ยนัการพูดจาเรื่องแล้วเรื่อ ง, องตึงต้องทำหนึ่งก็หม ท่านก็จะกล้าทั้งและไร้หาท่างข้าสมสาคิจอมบัตรโดยยังกลมกลมาเดิดนไปตามนิสัยของท่านผู้บริสุทธิ์นะฟังดูพระเจ้าอนนิสัยของผู้มีชีวิตจะแก้ทิ้งเลยแต่เดินจะตามนิสัยของผู้บริสุทธิ์ซึ่งยังคลองขันอยู่นเรื่องธาตุเรื่องขัน มันเป็นสมมุติเต็มตัวของมันน้าจิตจะเป็นจิตอกจฉาวิมุตติพ้นจากความที่มันถือมันในขันยัคกามแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในขันอยู่อย่างธรรมชาติมีความรับผิดชอบมีอยู่ก็จะต้องใช้ขันเป็นความคิกลุมยุคทำนั้นการงานอะไรต่ออะไรเรื่การยุทธศาสตร ด้วยความคิดทางใจคือเป็นเรื่องของสังขารขานกันยาฐันหรือวิญญาณฐานที่ต้องใช้ต้องนีเป็นบทะจำงันการฆ่าทํางานงั้นแต่รถเราวิ่งนานๆก็ยังต้องพักเครื่องฆ่าฐานเมื่อช้าอย่างนานก็เราจะเรียกว่าพักเครื่องก็ไนนด้ก็นั่นแหละคือว่าวท่านโดยคนนั้นคือ ภาพมือหลายภาพโดยมังกรมตนอยู่เพื่อผีภาพอยู่ในวงขันนี้นนั่งสมาธิเพื่วภาพจริงๆพักขันความฟื้ความปรุงต่างๆซึ่งเคยช้านัง่งระงับตัวไ ป, ไปเกี่ยวกับเป็นมิหารธรรม ในทุตตังรืในเวลาที่มีชีว่ตก็มีการพักผ่อนระหว่างขันกับติก <c oughs> เรายังมีความจําเป็นจริงๆในท่นนทานถามความว่าจำเป็นก็จําเป็นระหว่างขันกระติกทนั้นไม่จําเป็นนอกเหนือกว่านั้นไปเลย ที่จะไปว่แก้ที่เด็ดอันใดใดแล้วมันอันนั้นมไม่มีในพ่อรหาทั้งหลายตั้งแต่ขณะที่พระอ่าตั้งแต่ที่เด็ดมันพังไปจากจิตเท้ทานั้นไม่มีคํําวาว่าที่เด็ดจะมาแทรกขึ้นมาได้อีกเกิดขึ้นมาได้ไม่มีแต่ระหว่างขนาันธกิจก็เป็นความจำเป็นในทิ่ตัดถังตึ้งกว่าจะ ปล่อยวางกันความนับผิดชอบกันเรียกว่าตายท่านเข้าใจหรือยังเนี่ยคือท่เข้าใจว่าท่านมีสมาธิเต็มที่ที่ราเนะมเพราะวามีติทุกอย่างเขาแกล้งเนี่ เ ร, เรื่องขันถ้าเราจะเทียบนะเราเทียบเหมือนเรามีเงินร้อยบาทในตัวของเราเองนี้วันหนึ่งเราใช้ประมาณเท่าไหร่พอดีวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเงินนั้นถ้าสมมติเราใช้วันละยี่สิบาทเงินร้อยบาทไปใช้ชได้ถึงห้าวันพอเรามาใช้เสียอย่างซื้อซื้อล่นี้เพียงวันเดียวไม่พอทช้ก็ได้ หรืราใช้แต่วันหนึ่งห้าสิบาทก็ได้เพียงสองวันถ้แค่สามสิบบาทนี่ก็ได้เพียงสามวันถ้าเราใช้ให้พอเหมาะเนาะมันจะได้ถึงห้ง า, าวันสมมติเราใช้วันละยี่สิบบาทได้ถึงห้าวันเรื่องอายุไขของพระหรหัสนี่นก็เป็นเช่นเดียวกันเรื่องขันคือได้ใช้ทั้งบุกทั้งบานมากๆไม่มีการพักเลยอะไรวะใช้ไม่ประจยัด พอเเมื่อเวลาขันมันอ่อนตัวลงไปมันก็ไปทับตัวเองนั่นแหละเรียกว่าตายผ่อนลงไปในอายุขัยของขันก็ย่นเข้าไปย่นเข้าไปเพราะการใช้นี้จะประมาณที่จะให้ไปเป็นอันตรายต่อจิตที่บริกถุนแล้วนั้นไม่มีทางก็คือว่ามันมาเป็นนั้นมาตัดทอนเรื่องความเป็นอยู่ของข้าของขันเรียกวอายุขัยนี่ลดน้อยลงไปน้ไปเท่นเดียวกัเราใช้เงินมากนั่นถ้าเรา พยายามทายพอเหมาะสมมันก็ได้ตามเั็นงนี้อายุไขของจะกรองโองจะได้ขนาดไหนมันก็ได้ต่ตามนั้นถ้า ม, มีเหตุมันโดนบรรดาอย่างอื่นไดเข้าใจเลยแต่อันนี้มันรู้ตัวเองไม่มีใครบอกที่สมควรที่จะพักผ่อนเรื่อง่านเรื่องขัน ด้วยจิตตภาวนามันก็รู้กันเองมันพูดยากนะพูดพูดได้เพียงเท่า น, นี้ที่มันอา่านยิ่งกว่านี้ยังมีแต่มันพูดยากในละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีลูกยังไนจำพะอจำของจะไม่สามารถที่จะบายออกมาได้ก็ยังมีมากผมพูดแต่เพียงเท่า น, นี้เพราะเหตุนั้นธรรมะเบุ้องแรกที่มาแสดงให้โลกครังนี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรม ท, ที่ละเอียดนะอืม ที่ละเอียดเต็มส่วนของทำแท้นั่นไม่ละเอียดเต็มส่วนของทำแท้นะถ้าอยากให้ทราบเต็มส่วนของทำแท้ให้จิตเข้าไปถึงธรรมนั้นเท่านั้นเองก็รู้เองน่ะเข้าใจไม่ที่พูดนีอย่างที่ว่าชาธินาธรรมที่สอนไว้นี้เป็นกิริยาแห่งธรรมนะอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีในที่ไหนให้ใครพูดนี่ก็มีหลวงตาบัวบ้าองคโยนี่แหละพูดชาตินาธรรมที่แสดงออกมาเป็นบทเป็นบายนี้เป็นกิริยาหนานั่นทั้งผลก็บอกนั่นป็กิริยาของผล ทั้งมรคคือวิธีดำเนินก็เป็นริยาเป็นริยาของมรคริยาของธรรมแย่ไม่ไมันไม่ใช่ธรรมแท้เมื่อก้าวประจํานี้ก้าวประจํานี้นั่นแหละที่นี่ทํานเชิญวอ ท, ทํานจิตให้เป็นสมาธินี่เราจําหน้าก็าตามถ้าถึยยงเราเนี่ยังไม่ยังไม่ถึงธรรมอันนี้เราก็ไม่รู้ท่า น, นนี่เราไม่ถึงธรรมอันนี้แท ท, ท, ท้ําสมาธิขั้นไหนเราก็รู้รู้ในใจรู้ในใจนั่นแหละที่ทำแย่เข้าไปละคือแย่พื้นๆมีแย่นั่นแย่ คือแค่เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปพอทั่งถึงนี้มุดหลุกค้นมันก็ถึงจั่ทร์ไอนี้ธรรมะเป็นเป็นยังไงนี่นะกับที่ท่านแสดงไว้เนี่ยคืออันไหนที่ท่าควรจะแสดงได้ได้มากพอเหมาะสมกับสมมุติท่านก็ อ, ออกมาแสดงอันไหนที่ไม่ควรที่จะออกมาได้ท่านมันก็ออกมาได้นั่นแหละอันนั้น่ะที่ว อ, ออกไม่ได้นั่นแหละอันเต็มส่วนมันออกไม่ได้แต่ที่ท่านก็ไม่ติดให้คุณนั่นไปรู้เองที่คุณง่าย รู้เองจังว่าสันติเโกท่านั้นเชนอย่างสมาธิเตียเป็นยังไงสมาธิพอเข้าจิตเป็นสมาธิมันก็รู้เองรู้เองสมาธิขั้นใดก็รู้เองปัญญาขั้นใดก็รู้เองโดยรู้เองรู้เองจนงมาทั่งถึงมุดๆพ้นรู้เองรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านนั่นแหะที่เรียกว่าสันติเโกเต็มปูทูลถามท่านว่าอะไรทูลถามท่านหาอะไรเพราะความจริงมันเหมือนกันนี่เรายกตัวอย่างเช่นอย่างพระอนัญตระพิโก ในตำล า, าก็เหมือนเนื่อปัญเกิดปัญหาแต่ธรรมะท่านเป็นธรรมะท่านสูงมากนะความผมก็ไม่เข้าใจเกิดปัญหาเลยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระกันตคุณดีนฝนก็น้ำลงมาเล้วก็เลยยืนอยู่ใต้ถุนเลยยังไม่ขึ้นทูลถามพระองค์แล้วฝนตกจากลังคาเรื่อยๆลงมาจากลังจากชายคาเข้ามาถูกน้ําที่มีอยู่ของพื้นนี่ก็ตั้งเป็น จาต่ตําเป็นฟองขึ้นมาระดับไปตั้งมันระดับไปพอกระทบกันก็ตั้งขึ้นแล้วระดับไปก็ท่านก็เทียบเข้ามาภายใ น, นยสังขารคือความคลี่ความปูมันปูขึ้นภาพมันดับไปขัว้วหนึ่งขั้วหนึังนั่นท่า น, นเทียบเข้ามาดูนั้นแล้วดูนี่ที่นง่นนี่ถ้าเก็ท่านก็บรรลุทำเป็นกระนังนั่นพอฝนตกหยุดก็ตั้นกลับธุรกิจไม่ขทุนทางไม่บริข่าเลยนานฟางที่ท่นเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วก็จะไปทุนทำไอ้อีกเนี่ยเตอนนั้นยังไม่เข้าใจ เพราะอันนี้เกียบเท่าเขามัได้สัด้ส่วนนี้แล้วอันนี้ก็เพิบเลยหมดเลยเพิบมหมายก็ว่าไม่กิเลสตบธรรมไม่กิเลสเพิบหมดนี่คือตัวอย่างนี้ท่านก็ยกให้ท่านก็ยกมาไว้เพื่อให้เราได้พิจารณาสงสัยพระประทุนถามพอไปรู้ไปบรรลุธรรมที่หนึ่งถึงขั้นสุดยอดธรรมแล้วก็เลยกลับไม่ปรทุนถามี่ถึงกล้าพูด เรื่องทั้งหลายไม่จะทกสถานผมบ่งโกงสำหรับผมเองผมพูดอย่างนั้นนะพูดให้เข้าใจตามอัตตามธรรมความจริงมียังไงว่ากันไปตามความจริงไม่ไม่ว่าไปตามความจริงผู้ผู้ฟังตามผู้ฟังฟังเพื่อเอาความจริงจะไม่ได้ความจริงนั่นเป็นต้องพูดให้โกงแต่งแต่งไปเลยผู้กรองก็กรองตามนั้นต้องเข้าใจตามนั้นแล้อความบุก็ฟังในอ้อ่านในตำนานากว่าผู้ที่เจ่าแสงแสดงคำ บริษัทบรรลุว่าคนิาพาเป็นปจง น, นมากเปนงนมากก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะักแเมื่อได้มาฟังเพศของพ่อแม่ครูจรันมั่นนี่ชักคิดอะไรบินท่านเทศนี่โอ้เหมือนน้าไหลไปสว่างไม่มีอะไรผิดอันนี้วาิตข อ, เองเรากำลังพี่นาตรงนี้มันกำลังคลอ ง, อ ง, ต, รงอตรงนี้ท่านเทศมาะว่าอ๋อตรงนี้ถึงตรงนี้ท่านจะว่างนี่นี่นใชพัเพราะ เขท่านมาถึงนี้ก็ท่านรู้แล้วนี่ท่านมานี่ท่างก็พังไปเลยเราก็ปุ๊บไปได้เลยตรงไม่ได้มากกวตามได้ทีละวักละตอนมันก็ค่อยขยับของมันไปเองนี่แหละที่ว่าพิทบริษัททั้งหลายฟังเสราะหลับของจิตทุกคนมีความเด่นน้ําต่างถุงต่างกันคราวนี้คนนี้ขยับนี่คราวนี้ขยับนี่คราวนี้คนนี้ขยับได้นี้มันก็ผ่านไปได้อย่างว่าที่นี่มากกว่ามากก็ได้สําเร็จมาลเลยนัน่นหนึ่งยิ่งเป็นขั้นพวกอุกติจะียนวิปวิปวิวด้วย แล้วมันก็ยิ่งเลวถ้าต้องไียมงขั้นถูถไถ่ายจะว่าพูดประทับปรมามะกันกพูดได้แล้ววะเมื่อกันยังคอยิ่เยียบๆเหมือนแส ง, งห้อยวะเวลาฟังเท็ธท่านีน่บผมเลยช่วยรอเปอร์เซ็นเลยพะพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแจบพุทธิจนะได้บรรลุผลทีผ่านเดี๋ยวนี้ผมเป็นร0อเอร์เซ็นะเชื่อใครจะว่าผมโง่ก็ตามใไม่โง่แต่ผมก็เื่นอย่างโง่ขอแกันนะเชื่อ ว่าจับหลักมาตั้งแต่โดยลาดับลำดามาทั้งแต่พ่แม่คุยจันมั่นเท่นโห้โเวลาจะฟังเท่ท่านนิ้แหมมันก็ยิ้มยิ้มย่องในหัวใจนี่เหมือนจะเหาะจะบินน่นนะพอวันถึงวันประชุมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหัวใจเรานี่ยนฟังมันต่อจริงๆนี่ยิ่งไปถึงระยะที่เรากําลังพิจารณาทุนลมุลวุ่นวายกันอยู่นั้นมันหาทางออกทางเข้าไม่ได้มันเหมือนตามตามรอยค่นในคลองเนี่ พอมาชวนท่านอธิบายมาถึงชวนจะถึงนั้นแล้วจอท่านตรงนี้ท่านจะว่างไงตรงนี้เลยพอถึงนี้ท่านมันพังคุบไปเลยเราก็ขยะปุ๊บตามเลยอ้อทีเดียวหนักมันถึงน้องอ้อทันทีคือมันอ้อไปตามไปตามท่านที่เราติดข้ออยูตรงไหนแล้วอ้อท่านทีเลยนักนี่หลายครั้งแล้วผมก็ไปได้ไเลยผู้เป็นคิดปิญญาคินเมื่อไหร่ก็อยู่ท่านกันมั่นมาเขาพูดตามความจริงก็แปดปีผมไปอยู่ที่ท่านผมไม่เคยมีความสินอะไรกับท่านเลย มันเหมือนเทปนี่นะท่านพูดไม่ว่าทีเล่นทีกินก็นในฐานะลูกศิษย์อาจารย์อยู่ด้วยกันตั้งแปดปีก็เหมือนกับลูกแปดปีสนิทสนองขนาดไหนท่านก็ต้องพูดในฐานะลูกศิษย์ลูกกับพ่อแม่นั่นเองนะ่ะคุณแอะไรก็พูด แ, แต่อันนี้มันมันจริงตลอดเหมือนอย่างมันเปิดเทปไว้ตลอดเลยมันเข้าหมดมันไม่ลืมเท่านะั้นแหละมันแปลกผมก็อัศจรรย์เหมือนกันถ้าเป็นความจํามันก็ลืมอันนี้ทั้งใหม่มันไม่ลืมแปลกมากนะ มันเข้าจริงๆฟังท่านฟังจริงๆฟังยังถึงใจอะยิ่งเขาปลาเข้าเข า, เ, ขาเวลาออกมาจากฝ่ายจากเขาโอ๊ยหอบปัญหามาจนจะก้าไม่ออกมันหนักปัญหาพอามากราบเยียนท่านอ่ะท่านใส่เปี๊ยงเปี๊ยงพังสลางไปหมดตัวเบาวิ้วเลยกลับไปตอนมาฟังนี่มันจอ่อจอเลยกราบเรียนถามท่านแต่ละข้อละข้อฟังจริง ตรงไหนยังไม่ลงกันมันก็ถกกันเหมือนกันนะผมกับแม่ผู้จาดมาเนี่ยโอ้โห เ, <c oughs> เป็นเชลเล่นบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ทั้งท่านมาไม่มีไม่มี็นพายเป็นพักตัวซน ต, ตัวขี้ดื้อ ย, ยิ่งกว่า ผ, ผมไปละ <c oughs> คือเราต้องการความจริงท่านก็ทราบความจริงเราท่านไม่พเพราะชาวไม่ใช่เป็นคนหน้าด้านดีไปอวดที่ถี่มาน้ต่อท่าน <c oughs> ท่านก็ทราบถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านทราบท่านจึงได้แสดงให้เราฟัง ถ้าท่านเข้าใจว่าเราปฏิสิ์มาแล้ท่านจะมาแสดงให้อะไระนี่เอาเผ็ดร้อนขนาไห น, หนวเราเผ็ดร้อนขนาไหนท่านก็ยิ่งเผดรอนเข้ามาเตี้ยงเตี้จนพังทลายพอลงแล้วปั๊บยอมปั๊บยอมปั๊บตรงไหนที่เข้ากันยังไม่ได้เอากันนั้แนแหละเพราะเราก็มีเหตุของเราเนี่เหตุผลนี้มันข้านตัวเองมันขัดตัวเองมันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่สะดวกแต่เราก็ยังสําคัญว่ามันนั่นอยู่นั่นเลยจนกรทา่ทานท่านพังก็มาทลายแตกกระจายไปเรื่องมันก็ยอมยอมอ้ออ้ออ้เลย่ลงเลยลง มันเวลาเป็นเจ้าปัญหาก็ถูกถึงขั้นมันเป็นมันเป็นได้จริงจริงบางทีไปบางทีไปได้สามสี่วันกลับมาแล้วท่านก็ยิ้มนะฮะมาและวเห็นว่าเห็นว่างั้นนะท่าได้สามสี่วันเท่านั้นอ่ะโทรมาอีกแล้วท่านท่านเข้าใจแล้วว่ามันแบกปัญหาว่าระบาดโดยมีคงมาไหมหรือเป่าเป็นไปเอาเลยผางผางท่านก็เพี้ยงมาเลยจ้ะ ตัวเบาวิหเหมือนจะหอจะบุญกลับไปทีนี้เราคิดเราพิจารณาอยู่ไม่อยู่ไม่ถอดปัญหาก็ขึ้นอีกเลยอันไหนที่เราควรแก้ได้เราก็แก้ไปแก้ไปไปอันไหนที่มันควรมันแก้ยังไม่ได้แล้วมันกดกดท่วมจิตใจมากทั้งทําเวลาเวลาให้เสียไปก็ครูบาอาจารย์มีอยู่นี่มันก็ผึงเลยถึ่งเลยนั่นแหละพอมาเล่าถวายท่านท่านใส่เตี้ยงทีเดียวทุกคังเลยน่าครูบาอาจารย์ผู้ศรีรู้แก้ปัญหาได้แก้ง่ายที่เดียวนั่นในแบบสุมเดานี่นะ เราพูดอะไรไปไมันรู้หมดเหมือนกับเด็กทะเลาะกันเรื่องบวกลบคูณหารนะ่ะครูนั่งอยู่เก้าอี้นี่ฟังรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกนะเด็กทั้งสองคนมันเอากันชนมูลวุ่นวายไม่ลงกันเลยแต่ครูนี่รู้แล้วว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่าถูกนะอันนี้ก็เหมือนกันเราพูดปัญหาขึ้นมาเป็นยังไงยัไงนี่ท่านเข้าใจทันทีทันทีใส่เตี้ยงเดียวหมดเลยน่ะนั่นแะหละครูรู้แก้ปัญหามันผิดกันมากนะก็เหมือนกับหมอเถือนกับหมอ ปัญญานั่นแหละคือ ก, กนานรู้หมอเถือนทุ่มเงนทั้งหี่ดีไปดีคนไข้าตายตหมอปัญญาก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ถามอาการแล้วก็ตรวจดูแล้วก็หยิบมานิดเดียวเท่านั้นใา่ปั๊บเลยควฉีดก็ฉีดควให้นูทางกระถางนั้นก็หายไปเลยนะั่นมันผิดการอาจําเป็นไปต้องยกมาทั้งสี่แหละยานะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะอะไรที่จําเป็นเหมาะสมกับปัญหาที่เวลาเกิดเวลานี้ของคนนี้ใส่เปี่ยมอยู่ขทะาปุ๊บเลย มีปัญหาอะไรอีกมีภูมิอะไรอีกมากเลยมแต่อยากจะบอกเพื่อนพระเนทางวันว่าเดชสุภูณาจารย์ที่อบรมกันตอนมาของจริงถ้าใครปฏิบัติตามแล้วก็เห็นจริงๆเลยครับผมระยะเท่านั้นเองอย่างนั้นจริงๆผมไม่สงสัยจริงๆการสอนหมู่เพื่อนผมก็มาด้สอนวยความสงสัยทุ่มต้องให้หมดคุงเลยไม่มีอะไรเหลือ เลยนี้แล้วผมก็หมดพาดคิดทั้งมันมหมดแจ้งทุกมางทแจ้งแต่ตน้นเลี้ยงลำดับลาดาไเปเลยมันบางทีจะตัดตอนน้ำมันของนัน้รูฟังมันนี่ฟั ง, ม, ม, ฟงมาไรู้กี่ครั้งสิ่งแล้วควรจะเข้าใจวิธีใดปฏิบัติยังไงยังไงเพราะที่เราผิดเราพลาดมาอะไรก็ดีผิดก็ดีถูกก็ดีมันเป็นครูมาทางนั้นมันเป็นประสบการณ์ทั้งนั้น อันนั้นแหละม า, าส่องมืเพื่อ น, นมันโค้งเกินไปหรือมันอะไรนะมันก็รูงานปฏิบตัติมันมีผิีมีการคอยเนี่ยมันไปถ้าแล้วผิดทางก็ได้ถภาพปฏิบัติไม่เหมือนไม่เหมือนภาพไปยันนะก็ยันเรี้ยนมาจากครูเลียงน้ำเนี่ยคําว่ามหาศรีมหาปัญญา พูดตามหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วมห า, าสติมหาปัญญาเนี่ยผมก็คาดคะแนนเอ า, อางั้นแหละอยู่ในขั้นอัหถัตมัตินี่พอผ่านนั้นไปแล้วคัมม า, าสติก็ดีมหาสติก็ดีมหาปัญญาก็ดีท่านไมน่ได้ยมนี่ยนะฟังๆดิท่านจะแบกเอาอะไรแบบมหาสติแบบมหาปัญญาไว้ทำไม มาสติมหาปัญญาเป็นสมุติเครื่องแก้ี่เลที่เลสพังไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเองเหลือตแต่หลักธรรมชาติที่บริสุทธ์เท่านั้นไม่ได้โยมตนเองไม่เสียใจตนเองว่ามีสติหรือไม่มีสติว่าขาดสติหรือไม่ขาดสติเป็นธรรมชาติเพื่อบริสุทธ์เท่านั้นถ้าพูดก็พูดอันบริสุทธิ์ไม่ได้โยมว่าตนมีสติตนขาดสติเอาฟังที่ธัมปูฟัง น, นี่ฟังเคยได้ยินไหมคำพูด คำามหาเศรษมหาปัญญานี่เป็นเครื่องมือสาหรับต่อสู้กิเลสกิเลสละเอียดมหาเิรษปัญญาเป็นของละเอียดพอกิเลสสมมุติอันนี้พังไปแล้วสมมุตินี้ก็หมดปัญหาไปเหมือนกันนะเหมือนกับเรามีดเราเนี่ยนึงเราปอกคู่เรียนนี่นะพอปอกคู่เรียนเสร็จแล้วอันนั้นคู่เรียนเสร็จแล้วอันนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยนะใครจะมากินมีดมหาเศรษมหาปัญญาเป็นสมมุตินี่ถ้าจะทําทั้งสี่เป็นสมมุติทั้งนั้นนั่นต่างกัน ทุกสมุทัยเป็นสมุติฝ่ายผูกมกัดนิโรธมารเป็นสมุติฝ่ายแก้ฝ่ายก่อฝ่ายถอนผ่านจากนั้นไปแล้วนั่นที่นี่จะมาอยู่ศาสนาธรรมตั้งสี่นี่ยังไงจิต ท, ที่บริสุทธิ์ย่อมมาอยู่ในที่นี้น่นเพราะนี้เป็นทางก้าวเดินนิโรดนิโรธคํามาดับก็ขณะของนิโรธที่ดับทุกข์ก็เพราะอํานาจของมารที่มีมกําลังเต็มที่แล้ว สังหารทุกดับเพิบลงไปนั่นนั่นน่ก็ขณะเดียวสร้างกัหมดปัญหาไปแล้วนั่นแล้วจะไปแบกเอานิโรธที่ไหนอีกเขาว่านิโรธดับกดับทุกต่างหากเนี่ยจะไปแบกเอาอะไรสติปัญญาก็แก้ที่เลสเนี่ยอยู่ดูเรียนพังตัวเองได้เมื่อไหร่สติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปได้นี่นั่นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ต่างหากไม่นิยมการเกิดการดับ ฟังในตรงนี้เป็นไงค <c oughs> รับเคยอ่านในหนังสือบอกว่าพระอาจารย์ท่านมีสติบริบูรณ์อ๋ออันนี้น <c oughs> ั่นอันนี้เป็นความชมเชยของท่านออันนี้ผมก็มาปฏิเสธนะผมมาปฏิเสธว่าพระอาหารท่านมีสติสมบูรณ์นั่นผมไม่ปฏิเสธเพราะเป็นคําชมเชยสมกับภูมิท่านอันนี้ผมปฏิเสธแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วพระอาจารย์ท่านจะไม่ท่านจะไม่มารับเอามหาสติมหาปัญญาเอ ท่านท่านจะไม่มาเิกมาสันท่านจะไม่มาสําคัญเลยเข้าใจแล้วนะเช่นอย่างเวลาอรื่อี่ย่างาบู้นิ迦เองท่านท่านก็ทรงแสดงถึงเรื่องสติในเวลาที่ควรแสดงนะเช่นมีผ้าหันถูกเขาฟ้องร้องนะในตำนานก็มีฟ้องร้องมาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นทุงสูงที่ด้วยะนะในเวลา ไปทูลพระพุทธเจ้าขึ้นมาหาพระเจ้าไปฟังพระพุทธเจ้าท่องทึงว่าเอออย่าไปาหาเรื่องกับเธอเธอยู่เธอเป็นสติญี่ปุ่นละแล้วนี่คือ <c oughs> เอาสตินี้คือขึ้นมาพูดทำาย่างั้นมันก็ไ ม, ไม่ไม่มีที่จะพูดอย่างนั้เนื้อว่าเธอบริสุทธิ์เลยนี่นี่ว่าบอกว่าเออาา่เเป็นธอเป็นสติวินัยแล้ว น, น, วนี่นั่นเอามายันเอามารับกันกับสมมติ น, นั้นเข้าใจไหมล่ะเ <c oughs> มื่อมีสมมติอันแล้วอันนี้ก็ไม่ไม่เอามาใช้เพราะธรรมชาตินั้น มันเหนือสมมติแล้วอันอันฟ้องร้องนี่มันอยู่ในสมมติอันนี้ก็ต้องเอามาแก้กันเนเอเธอเป็นพฤติวินยัยเรนาเนี่ยเอาสมมติี่มาแก้สมมุติอันนี้ส่วนนั้นเหนือแล้วหมายถึงเข้าใจไหมอืมผมเคยพูดเสมอว่าผมเป็นคนลงยากนะลงใครก็ตามทุกวันนี้ยิ่งที่ผีมานักตรวจฟาดถ้ามีฟ้านะอืใครจะว่าองค์ไหนเก่งขนาดไหนใครเก่งขนาดไ้นก็ตาม หักไม่กดหักไม่ยกหยอกคือกดลงก็ไม่กดตําหนิก็ไม่ตํานิดชมก็ยังไม่ชมถ้ายังไม่เข้าถึงตัวเมื่อไหรแล้วยังจะกดจนกระทั่งเข้าถึงตัวแล้วเอาละที่นี่นะจะควรเชื่อขนาดไหนลงขนาดไหนสมมติวันลงเก้าสิเอร์ซ็นก็อยู่เก้าสิเอร์เ็นเลยถ้าลงร้อยเปอร์เซ็แล้วเอาที่นี่ถึงขั้นร้อยเอร์ซ็นแล้วใครจะว่าองนี้องนี้นไปเขาจะถูกฟ้องร้อว่าท่านองค์นั้นเป็นสังฆาไปที่ไรเฉยผมไม่ฟังเลย <c oughs> แน่เวรเงินนะ ถ้าลงได้ลงยกผมประโยู่์ให้ท่านเต็มร้อเเซ็์ลยไม่มีทางที่ว่าจะไปสงสัยท่านเอ๊ะท่านถึงขนาดนั้นทำไมท่าเป็นนั้นได้ไม่มีเลยไมหัวใจเอาว่าแล้วกันเขาว่าไปส่เนี่ยปากของเรามีหัวใจเราก็มีสมมุติมีอยู่ในโลกนี้ว่างเลแล้วธาตุขันธ์ของท่านก็นยังมีอยู่ในโลกนี้เกาะสมควรที่จะถูกกาหนดได้เช่นเดียวกับโลกทั่ ว, วไปอันนี้แต่ส่วนทิเตมุดนั้นท่านได้มายุ่งอันนั้นเราใครทราบมันไปเสียหนึ่งเสียเ <c oughs> ข้าใจนัะที่พูดมมันเป็นอย่างนั้นมันหลายขั้นหลายฟืน หลายตอนพอมมันถึงอันนั้นแล้วจะเอาอะไรไปพูดมันพูดไม่ถูกเนี่ยเรื่องนี้มีแต่สมมุติทั้งนั้นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อะว่านนั้นมันเหนืออันนี้ไปหมดมันไม่มีอะไรจะมาพูดมันเข้ากันไม่ได้เลยว่างั้นพูดถ้าโลกมันพื้นคนละโลกแล้วแต่นั้นมันด้ไม่ใช่โลกน่าเสียดโลกวัตถทําคือทําเหนือโลกว่างั้นแล้วที่ตรงนั้นล่ะ ตรงที่ว่าพระอรหันต์มาเวทนาท่านพระครูว่าไงมีความรู้สึกไงก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่ยังอยูอ่หมายถึงเวทนาทางใจน ะ, ะผมพูดหมายถึงเวทนาทางใจจิตตเวทนาเออส่วนกายเวทนานี่เรายอมรับการเพราะเวทนาก็เป็นสมมุติกายก็เป็นสมมุติมันก็เป็นภาชนะของขันได้โดยดีเลยส่วนจิตที่เป็นจิตตะวิบูที่แล้วนั่นอะ อันนี there, cherry, you mm. yep. below, ้หลผมก็มาไยินเจ้าฟ้าเจ้าคุณนะมาเทศที่นี่นะผมสะดุดใจปังอย่างไรนะโง่โง่แสนโง่จะเปิดก็โง่ให้หมู่ขวัญฟังนะจ๊ผมสะดุดใจปังอย่าเลยท่นท่านพูดท่านอ้างว่าผู้ไดเจ้ามานั่นเลยนะมาผู้ไดเจ้ายังต้องสูยทุกหวังงั้นยกตัวอย่างขึ้นเวลาเสด็จเปถึงกุชินารานะให้ผ้าอนุนต่างหน้ามาให้อินอนุนต่างหน้ามาแต่ตาโคกรดูน่อแล้วแล้วแต่ตาโคตรเพีย อ น, นุตของข้าพเจ้าให้ท่าก็พักผอนนั่นก็แสดงว่าโค้งทรงเสวยทุกเวทนาท่นททานมาเอาเรื่องท่านเรื่องขันเนี่ยไปทาลายความบริสุทธิ์หรือระยุงัความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพุฏท่านแท้จริงเดี๋ยวเดี๋ยเรางงโต่งงตามมันต้เป็นตามความโงเจ้าของมันผึ่งมาเพืพูดอย่างนี้นถถนนแต่เราก็พูดเพาท่านกาลังจะปฏิบัติเราจนั่งไนนะาเป็นวงปฏิบัติจริงว่า มีจิตสูเนี่ยขนาดไหนล่ะใส่กันเปรี้ยงเลยนะนั่นตรงนั้นเพราะมันต่างกันเนี่ผู้ปฏิบัติทําไมจึงมาพูดได้อย่างนี้ถ้าว่าลูกยิงเห็นจริงทําไมจึงเอานี้มาพูดได้นี่นนเนี่ยจิตว่างจิตว่างว่างในหลักธรรมชาตินั่นแหละ เ, เ, เป็นหลักธรรมชาติฟังติเวทนาเป็นสมมตินี่ธรรมชาตินั้นเป็นสมมติเมื่อไหร่มันจะเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเท่านั้น มันเป็นเท่าไหร่ก็เป็นอยู่ในเนื้อในกายนี่ครับเป็นหลักธรรมชาติที่จะห้ามไม่ให้มันไปเข้าธุรกิจท่านไม่ได้ห้ามมันเป็นหลักธรรมชาติของมันเองรู้กันอยู่ชัดๆอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรไปก็เป็นมันก็รู้อยู่ชาติดุจตามตาอันต่างจริงของเราของใครของเราอยู่มันไม่ไปก้าวไายกันอันนี้ก็ดิ่นอยู่ในวงสมมุตินี้เชียวอุวยมุดก็อยู่วิมุดเชียะอะวไง นี่ข้นหน่อยข้นพอพูดไปพูดไปเราจะพักเคลื่อนหรือไม่จะพัก